ลงเลี้ยงลงเรีนน้ยงนะเนาะก็แจ้งให้บริษาทตัวก้อนหน้าหนาวแล้วเนาะโอ้โหโมองรึงหมดคำแล้วถ้าเปลี่ยนแปลงเวลาทาวัตรเฉพาะวันพระวันธรรมดาหกโมงไปแล้ววันนี้ไม่ได้ไม่ได้แจง้งลงนา อย่างกระถิญราป่าใหม่ๆทุกคนเหนื่อยปุณป้าคุณใาสลบสลายกันหมดละงานกันเหนื่อยะสมโรงเรียนก็เหมือนกันลงเลิงลงเหลงนืนออกวันษสาวันป่อนาวันกระถินพอได้ปากก็คิดไปทาง ฝ่ายฝ่ายโลกฝ่ายธรรมก็อยู่กันยังไงฝ่ายโลกก็ม่งปฏิคลาคารวคือคนของเรือนส่วนฝ่ายธรรมก็มงปฏินนังบวชคือผู้ปฏิบัติก็แบ่งไปสองอย่างนั้นเราก็แบ่งเวลาก็คือ อยู่แบบโลกมั่งอยู่แบบธรรมมั่งวันหนึ่งมันต้องมีอยู่แบบโลกก็คือทรมหากินมันเป็นเรื่องปกติทำาไมทําหากินมันก็มีมไรายได้มันก็มีรายจ่าย น, นี่เป็นเรื่องปกติ่ฟหนึ่งกับไฟธรรมก็เช่นเดียวกันเป็นนั้นถ้าจรงขึ้นโลกก่อนลโลก กระทตัวโลกกบรบทำจัเจนพระธรรมชาติของมนุษย์เอาอยู่อย่างีอยู่แล้วอยู่แลบวโลกโลกเขาอยู่ยังไงก็คือคารวะคือผู้อยู่ของเรือน้เป็นภาษาบาลีบอพระสวสธรรมโดยหินในภาคที่ปฏิบัติหรือเขาปฏิบัติของมเครืัสนั่นก็คือข้อแรกก็คือ สัจจะความจริงใจความซื่อสัตว์ที่มีต่อกันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวกรรมวิคราชเพราะว่าไปทำการครองเรือนความเรือนก็นคือครอบครัวคือบ้านเรเริ่มต้นจากบ้านเรานคนในครอบครัวต้องมีความจริงใจต้องมีความซื่อสัตว์ส า, านนมีภรรยากิเลนวิทยาพี่น้อง จำเป็นทั้งความจริงใจเป็นกิริยานิมิตรความจริงใจมันสําคัญถ้าเห็นด้วยกันว่ามีความจริงใจไม่มีความซื่อสัตย์ก็อยู่ยากคือแสดงละครต่อกันไปวันๆมันอยู่ยากองค์กรไหนอยู่นี่อยู่ยากนี่คืความจริงใจคือข้อแรกข้อที่สองคือฝึกผล เป็เจ้าธรรมะแต่ว่าฝึกฝนแล้ว่าธรรมะนตนพยายามที่จะฝึกตัวเองฝึกก็คือฝืนแต่ความบายก็ฝืนฝืนธรรมชาติอะารที่เราทําปกติไม่เคยยืนเดินนั่งนอนแล้วมันสบายฝึกก็มาได้บอยๆนั้นนานๆนั่งก็ตามนอนก็ตามเอาเรื่อฝืนธรรมชาติถ้าเป็นปลกปลาพวกอะไรเหมุนว่ายน้ําทวนกระแส อันเป็นเรื่องการกระทําที่ยากกว่าจิตของเราก็เหมือนกันถ้าใครไม่ฝึกถ้าใครไม่ฝืนมันก็ไปตามกระแสมันไม่ทวนกระแสก็ไปตามมันก็นไหลไปคือไหลไปตามอารมณ์ของพร้อมไหลไปไหนไหลแต่ของต่ํ า, าเหมือนกับน้ํามันไม่เคยไหลไปที่สูงมันก็นไหลลงข้างล่างไปเรื่อยๆ อ, อันนคือธรรมชาติของเขาเรียไหลลงต่ํามันเป็นน้ํำจิตของเราเหมือนกันถ้าคน เราไม่รู้จักฝึกผนไม่รู้จักปิด ไ, ไม่รู้จักกัน้นเหมือนเขื่อนเหมือนฝายน้ําล้นมันก็ไม่ได้ไประโยชน์มันก็จะไหลไปเรื่อยๆไปตามความคิดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและยังเป็นต้องฝึกฝึกก็คือเฝยสองตัวสําคัญคืออดทนในชีวิตประจําวันมันถ้ามีความอดทนต่อสภาวะรอบตัวรับข้างภูมิอากาศ ดินน้ำไบลมนาทีการงานอารมณ์สิยงที่บกระทบปฏิฆะทุกอย่างถ้าไม่มีความอดทนคือคันตินั่นแหละภาษาธรรมมเรียกว่าคันติมันก็กลายเป็นคันแตกระขาดคันติตัวสุดท้ายก็คือจ่าฆะคือการเสียสละเราต้องรู้จักการเสียสละต้างก็คือการให้ เราจะให้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเสียสละไปแล้วมันก็จะเบาจิตใจเราก็จะเบารู้จักกันให้ถ้าเราม่รู้จักกันให้เรามายควาว่าทุกคนถ้ามีการให้ซึ่งกันและกันก็ต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างเอาไม่รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันความมีน้ําใจการผูกมัดซึ่งกันและกันความผูกพันซึ่งกันและกันมันไม่มีวัตถุประสงค์ก็คือความนี้ อย่างน้นอเป็นกันกับจัดความประนีที่เหนียวที่เรามีอยู่อันนี้คือฝ่ายโลกที่เป็นคาวะศาธรรมนนคือทำปกครองเดือนเพราะนั้นฝ่ายโลกเนี่สรุปให้เราฟังเป็นภาษาเราง่ายคือหนึ่งคือจริงใจความจริงใจต่อกันจริงใจสองคือฝึกฝน อดทนก็ทนได้แล้พูดงไงพระอดทนมันก็ปกติมาก็าเลย อ, อดทนได้หนึ่งจริงใจสองก็ฝึกฝนสามทนได้เราต้องทนสภาวะอย่างนั้นสามทนได้สี่ให้ปันคือให้แบ่งปันนั่นแหละแล้พูดงไงคือทานคือจากพระมันก็เอสละ สี่หัวข้อเนี่ยมันต้องมีในชีวิตประจําวันที่เราเป็นคาราวาสญาติโย ม, มคือผู้คลองเรือนที่ต้องเข้าใจในหลักธรรมเหล่านี้ถ้าใครมีหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยคือทำของผู้คลองเรือนหรือคาราวาสจะทำทำผู้คองเรือนก็คือหลบมาเลนอกจากธรรมะกอย่างอื่นแล้วถ้าไม่มีของพวกนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อยากให้เราเป็นอยู่เห็นไหม เราเสพข่าววันทุกวันเริ่มต้นจากครอบครัวพ่อแม่ลูกที่เป็นข่าวเริ่มต้นจากครอบครัวเท่างนั้นเป็นปัญหาสารพัดปัญหาพเพราะว่าไม่มีคารวะธรรมหลักการคลองเรือนมันไม่มีบ้านจะสงบสุขจะดีสุขอยู่ยังไงมันไม่มีนี่คือหลักธรรมทางวาสนาไม่ฝ่ายโลกส่วนฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมท่านมุ่งไปที่ สมณะพระแนนบรรพชิตหรือนักบวชหรือนักปฏิบัติก่ศวาฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมเริ่มต้นจากยางไงรู่ต้นจากข้งแรกก็คือให้เราศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามนักก็แปลว่าอดทนต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ใจกติกอแรกเลยคือควาอดทนต่อสภาวะทั้งหมดทั้งมวลออกมาใช่ตอนนี้ทำปฏิบัติแต่ใครไม่สามารถที่อดทนต่อคำสอนต่อคำสั่งคำสั่งก็คือสินคำสอนก็นคือธรรมแลาของเรามีสองคำคือคำสั่งกับคำสอนบุญญาอรใช้คว่าธรรมเรากลวินัยเวลาตะพูด ว่าสอนนักบวชในสมัยโบราณผู้ชาใช้คํานี้คําว่าสมณะคือนักบวชหรือบนประชิตในธรรมวินัยนี้ถ้าใช้คํำอย่างนี้คําม่ได้บอกศาสนานี้่ผู้ชาใช้คําว่าทำกับวินยัยก็คือคําสอนกับคําสั่งเป็นยังไงคาสอนก็คือธรรมสอนให้เราทุกขั้นตอนตั้งแต่เกิดจนตาย ว่าผู้เช่าสอนอะไรบ้างเรื่องเกิดท่านสอนให้เราคิดเรื่องอะไรใ้เราพูดอย่างไรให้เราคิดอย่างไรให้เราทําอย่างไรเกี่ยวกับการเกิดถ้าเกิดอย่างเดียวนึ่เร็วสอนกัน จ, จนตายพเพราะถ้างั้นมันก็ไม่ครบกระบวนการเกิดเก่เจ็บตายเราก็จะมองไม่เห็นแต่เรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนฝั่งน น, งน้นตอนนี้เรารู้เออาตายเราเกิดก็รู้ว่าเกิด แต่เราไม่รู้ว่าก่อนกเกิดแ ก, ก่เจ็บตายกระบวนการของเขานั้นมันยาวนานขนาดไหนมันให้คุณให้โทษกับคนมนุษย์สาสตรท์ทั้งหลายอย่างไรแล้วเราได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ อ, อย่างไรคือประโยชน์จากการเกิดแ ก, ก่เจ็บตายน้ถ้าประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราไม่คิดเลยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เกิดแล้วก็รอวันตายทอาหากินไปนนวันวันท่าตัวเองได้ สมบัติพัสดานทเขงอยู่สุดท้ายมีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ อ, อะไรไปไม่ได้สักอย่างนี่คือความสําคัญและที่สําคัญคือเราไม่ศึกษาคําสอนสิ่งเหล่านี้หรือรู้แต่ไม่สามารถที่จะทนต่อคำเหล่านี้ได้คืออดทนต่อคําสอนไม่ได้นั่นคือภายปฏิบัติรวมทั้งกระหัสบันพิชิตที่มุ่งมาทางนี้ ต้องศึกษาเข้าใจเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจเราอดทนต่อคําสั่งสอนไม่จะ่ขี้เกียจทําตามรู้แต่ไม่ทําอันนี้คือคุณสมบัติสําหรับพระผ้าใหม่พระเก่าก็ตามถ้าไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ก็คือข้อแรกก็ไม่ผ่านนะ่ยข้อสองก็คือมุ่งไปที่ปากอย่างเดียวคือเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอยากหาแต่ของอยู่ของอยาก ถามว่าความอยากบูจาบอกความอยากละใดอยากในโลกความอยากคืออะไรคือตัณหาตัณหาไม่เคยเต็มไหมไม่เคยอิ่มไหมยันไม่เคยตัณหาไม่เคยเต็มไม่เคยอิ่มแม่น้ำมหาสมุทรทะเลมันยังมีโอกาสล้นมีโอกาสเต็มแต่ตัณหาไม่เตตัณหามันพร่องอยู่เสมอมันไม่เคยเต็มเราก็ไปสนองของพวกนี้เรสนองของพวกนี้ น, นั่นคือข้อส อ, ข, อข้อสก็คือตัวชี้วัดว่าเราพร่องอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราเกี่ยวเราคล้องเราติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็คือข้อที่สมก็คือกรรมาคุณกรรมาคุณทั้นมุ่งไเที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทำารมณ์เราก็จะติดอยู่อย่างนี้ไม่อันใดก็หนึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์หรือทำอารมณ์จิตเราก็จะยกของพวกนี้อยู่ด้วยความไม่เข้าใจ ในสิ่งเหล่านี้กสกอเนี้มเกิดจากอะไรเกิดจากภาษะคือกระทบแล้วก็เกิดเวทนาที่ตามมาก็คือเวทนาตัวที่สองจากรูปนั่นเองเกิดรูปแล้วก็เวทนาผลของภาษาเป็นอย่างไรผลภาษาก็คือการสวยอารมณ์เวทนาแปลว่าสวยพอสวยอารมณ์แล้วหลังจนันทรนเป็นอย่างไรถ้าไม่มีสติ พวกเราไม่มีสติก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็เห็นแต่ว่าอันนี้คือรูปพนาตาเห็นเห็นคือจําจําันคือสัญญารู้ความจํำได้หมายรู้แต่มันไมไ่เกิดปัญญาใดๆเลยเพอเราเห็นสิ่งนี้มานานะตั้งแต่เกิดถ้าจะบทพูดยาวๆว่าเฮยตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีใครไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครไม่รู้สิ่งเหล่านี้แต่เห็นแล้วก็มไม่เกิดปัญญาที่ไปการสุดท้าย ตวเจ้าของก็คือสิ่งที่มันที่เรียกว่ากามอารมณ์อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราคิดแบบเรื่องหยาบๆในะครสุดท้ายก็เป็นที่มาของสิ่งเหล่านีน้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจิตมันก็คล้องอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นภพเป็นชาติภพชาติคือภาพที่มันเกิดแล้วจิตมันจำาของวันนั้นย่นงที่ราบอกภพชาติภพคือภาวะ คือภาพอันเดียวกันเรื่องเดียวกันไม่ใช่รื่องไกลเพราะนั้นพบกับชาติเนี่ยเราก็เข้าใจว่าชาติเนี่ยมันชีวิตเราการเกิดเรามาจากชาติชรรคาตะเดียวเกิดยียงก่อนที่จะเกิดก็คือพบนี่แหละเพราะนั้นพบเนี่ยมันเกิดกับเราอยู่ตลอดเวลาเกิดทุกวันเราจะไปคิดว่าพบ น, นคือนู่นข้างหน้าชาติหน้าชาตินู่นเรียกว่าพบมันไม่ใช่เหมือนเรานอนหลับ ที่เราเห็นเป็นภาพที่เราความฝันอันนั้นแหะคือภพชาติที่เราจะไป แ, แล้วรก็รวังคับจิตคือจิตที่มันก่อภพก่อชาติที่มันยึดสิ่งเหล่านั้นคือยึดภาพสิ่งเหล่าน้อยยึดภาพสิ่งที่ใจมันนึกนั่นแหละแต่มันนึกอะไรบางส่ว น, นภาพออกมาก็กลายเป็นภพเพราะนั้นภพเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันแต่ชาตินะ่ะเกิดตอนเกิด ก, ดกดระจริญชาติแต่เป็นคนมันเป็นโรคเป็นขัน ก่อภพมันเกิดทุกวันแต่เรามองไม่เห็นไม่เห็นว่ามันเกิดยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันดับไปยังไงเหมือนควาพันกับเรามันเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ำซากเรื่องเก่าเรื่องแก่เช่นวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำเือความคิดคําพูดการกระทํำนี่แหละตัวที่มันก่อภพก่อชาติเราไม่สามารถแยกการสิ่งเหล่านี้ได้ก็ให้สามารถจะเข้าใจภพชาติได้เราก็จะโน่นไปเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของนิพพานไกลไปถึงข้างหน้าชาตินาชาตินู่น เราก็ไปคิดว่าอย่างมันเลยไม่กลัวมันเลยรอเออยังเมื่อไหร่ก็ได้ยังไม่โอกาสมีเวลาจริงๆมันมีทุกวันตะลกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีมันเกิดกับเราทุกวันนิพพานแปลว่าดับดับชั่วครั้งชั่วคราวท่านก็บอกว่าดับเท้าบอลหรืดับชั่วคราวประโชดนิพพานดับก็คือกิเลสมันดับมันจุดมันเย็นมันไม่ร้อนขณะใดจิตเรามันไม่เย็น มันก็ร้อนเมื่อมันร้อนมันก็ไม่เย็นนิพพานะนพาน ค, คือดับคือจิตมันดับไปเสียแล้วถึงแม้จะไม่เทาอ่อนก็ตามเพราะชว่านิพพานชั่วคราวแม้แต่ชั่วคราวเรายังไม่มีเลยเหนียวหรือชั่วคราวมือนเราไปบ้านไหนเมืองไหนก็แล้วแต่ไปอยู่ไปพักไปไอาศัยชั่วครั้งชั่วคร า, า, าวอาจจะเช่าบ้านอยู่เช่าโรงแรมอยู่นี่ก็เรียกว่าบ้านชั่วคราวไม่ใช่บ้านของเราที่เป็นถาวร ในขั้วชั่วคราวแล้วที่พิ่งชั่วคราวเพื่อชั่วคราวจิตเองของเราก็เหมือนกันมันไม่มีสิ่งเหล่านี้หรือเครื่องรองรับตามที่เราเข้าใจเราก็จะรบชาติหรือนิพพานนรกสวรรค์แต่ถ้าเราเอ า, เอาปัจจุบันเป็นเกณฑ์คือเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักต้องดูว่าคติคือที่ไปของพวกเราคือนรกเปรตจักรสัตว์หรือนิพานถ้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีครบไหม พุทธ ร, รกอยู่ยังไงเราก็ประโยชน์นกะถะทองแดงยี่ประตูนรกบอกไม่กันได้ตกนรกคือใจนี่แหละใจมั น, นตกนรกในขนาดใจมันเดือดใจมันร้อนใจมันก็เป็นนรกและนรกปัจจุบันนี่แหละต้องไปครั้งหน้าไม่งั้นมันจะไม่เห็นผลมันก็เกิดความประมาทนรกเปรตเปตะคือผู้ลจะจากความดีของดีปัจจาจมันไม่มีคุณความดีใจเลยปเปรต ก็อาศัยกินด้วยกันขอขอบ้างได้ได้ร้อนจอดจัดเปล่าเราก็เห็นกันอยู่ไม่มีที่พักที่อยู่ที่อาศัยรับนอนไปเรื่อยใต้สะพานใต้ต้ น, ตตนไม้แล้วเป็นพระตุด๊ดองก็ดีแต่นี่ยมันไม่มีไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันแดดป้องกันฝนเป็นคนเหมือนกันไม่รู้ดังหนะ้าตาเหมือนกันท่าสีกันห้าเหมือนกันหมดอ่ะทำไมคิดไม่ได้อะไรทําให้เป็นอย่างนั้นบางคน แลวคนไร้บ้านอะไม่ใช่ไม่มีนะมีมีอยู่มีกินมีฐานะแต่อยู่กับครอบครัวไม่ได้เข้าสังคมไม่ได้ชอบเปลี่ยนั้นอะกรรมเป็นตัวจัดสรรชอบอยู่ตามต้นไม้ใต้สะพานานะครับ ท, ที่ทำอาหารกินฐานะอย่างดีเลยแต่บ้รรปลายของชีวิตไม่ชอบชอบอยนี้อยู่อย่างนั้นแ ล, และมีความสุขใช่ไหมเอาเราเป็นคนผู้เปรตก็เป็นอย่างนี้แหละจะไปคิดว่าเราเขาถูกขเขาอยู่เขาสบาย ขอ้ อ, อนันธุดอนโรเบิรอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้ชัดเจนคือมีในพบนี้แหละเราต้องไปดูในพบหน้าเราก็จะเห็นขอ้อพันธุ์ชัดเจนโอปนายโกมข้ามาในสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์มันต่างกันยังไงกับคนตายยังไงเราพิจารณาเพื่อเกิดปัญญาว่าใครบ้างกันบางคนมนุษย์สัต ว, สตว์สัตว์เดรัจฉาน ครัตร่ว่ายังคือสัตว์ปรสารมันเยอะกว่อยู่แล้วพู้หอยปูปลาช้างมากโวกอยมดแมงทั้งหลายแหล่มีอยู่บนฟ้าบนดินใต้ดินใต้น้ำมันเยอะกว่าควมบรุทอยู่แล้วมริสุทข้าเจ็ดแปดพันล้านบรินำนับไปไหนนับไม่ถูกแต่ก็อจะประมาทเพราะว่าเคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่ปัจจุบันถึงนขนาดขณานี้สองพันกว่าปีมาแล้ ว, วาอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังว่า บางคนเกิดทานพระพุทธเจ้าแต่มาได้ไประโยชน์อะไรเลยการเป็นขอทานไม่มีอะไรจะกินชีวิตอยากจะทานแต่ไม่มีอะไรจะทานแต่ที่ยังดีที่เห็นพระุทธเจ้าได้ทานครั้งเดียวเดีย๋ยวพระแมกครูอาจารย์ของเราบางคนเกิดทานพระพุทธเจ้าแต่ว่ากลายเป็นคนขอทานเพราะวันหนึ่งก็เอาจากชีวที่รับทานสมัยก่อน เศรษฐีผู้ยั่งยนจะกินเนี่ยเขาจะตั้งโลทานวนพระวสิณวันสําคัญเน่าแล้วตั้งโลหานแจกเดียสมัยโบราณสมัยนะั้นอาจจะไม่เรียกอินเดียก็ได้เรียกอะไรก็ไม่รู้เหมือนบ้านเราเมืองไทยสมัยนะั้นอาจจะไม่เรียกเมืองไทยเรียกเป็นเชื่ออะไรก็ไม่รู้คนรับอาณาสงฆ์ว่าก็ไปรับของทานมาก็เลยมันนึกได้โอ้เราไม่มีอยู่มีกินขนาดนี้ได้ก็เพราะว่าเราไม่จัดทาน มุ่งจากาให้ซึ่งหนึ่งในคารวะใจะทํ า, า ท, ที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นเมื่อกี้คือจากคือฐานะขอการให้ไม่มีเลยที่ไม่มีเพราะอยากจะให้แต่ไม่มีอะไรจะให้ไม่ใช่ว่าไม่มีใจจะให้นะมีใจจะให้แต่พระรู้จะออกแล้วเขาตัวเองก็เอาไม่รอดอาศัยเขาหางกินเป็นกายบุคคฐานก็ก็เลยคิดได้เอาวันน้สละข้าวปลาอาหารที่รับทานมาเนี่ยเอาไปใส่บาตรก็อภิษฐานเอา สุดท้ายก็ได้มาเกิดเป็นครูบาอาจารย์อายุเราก่อนหน้านั้นก่อนหน้านี้เป็นครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าฟังพอบอกว่าจิตของท่านเนี่ยมายถึงอดีตนั่งปับไปเนี่ยถ้าสามารถลึกย้อนหลังได้เป็นร้อยๆชาติผู้พิเนวสารนิพพติยานเป็นได้ร้อยชาติเลยว่าเป็นอะไรมาบ้างนั่งแป๊บเดียว พูดพีในภาษาลุสศิย์ยันก็เราเลืกได้บางองค์บางท่านบอกว่าก็ไป อ, อยู่แถวบ้านเราเนี่ยแหละก็เรียกสวรรค์อุปม์จริงจริงสวรรค์อุปม์อยู่ตรงไหนจริงๆก็ไม่รู้อดนเดียสวรรค์อุปม์พม่าเขาก็บอกว่าสวรรค์อุปม์คามียนเขาก็บอกว่าสวรรค์อุปม์เราก็บอกว่าสวรรค์อุป์ซึ่งสมัยก่อนเรียกอะไรก็ไม่รู้ปรจากเราในไปอินเดียมันก็ไม่ไกลสมัยก่อนก็มี หลายชาติที่ไปเกิดรอบๆ บ, บ้านเราเนะี่ยก็ถือว่าอยู่ในทำเลที่ดีปฏิรูปประเทศอยู่ในปฏิรูปประเทศที่ดีแต่แหไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นคนเป็นไก่บ้างเป็นสุนัขบ้างวาานะ่าอาจารบางพบดีๆก็เป็นฤๅษีก็เป็นพศเป็นฤๅษีเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานจริงๆก็คือท่านเหล่านี้ จะมีชานพู้ อ, องค์ชานเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็จะดีกับพวกเราหมายว่าถ้าทําแล้ว้าเลยกว่ามีของเก่าแค่มาต่อยอดเนีเพราะนั้นพวกเราที่ทําอยู่อย่าไปคิดว่ามันไม่มีผลที่เราปฏิบัติฝึกผลเพรตนเองอยู่ทุกวันเนี้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นนิสัยปัจจัยคือในสมัยเก่าในอดีตชาติเหมือนพวกครูบาอาจารย์เราบางประานผู้ริยาตแต่ว่าไปปราชญ์ธนาราพุทธภูมิซะ ปาฏิาริย์เป็นพระพุทธเจ้าการที่เป็นพระพุทธเจ้าพองค์หนึ่งโอ้ไม่ง่ายเลยตอนรับการพยากรณ์เสจ้วก็ต้องบงเป็นตนคือเป็นทุกอย่างเป็นสารพัดเกิดเป็นสารพัดพระพุทธเจ้าของเราเอาง่ายๆพระพุทธเจ้าเราก็เป็นมาหมดมันไม่ได้แบบไม่เคยเป็นสัตว์นะพระพุทธเจ้าของเราเนีเอาแค่เสียห้าร้อยชาติพวกองค์เป็นสวยเป็นประชาติตั้งหลายเลยแต่ว่าเป็นแล้วก็เป็นหัวหน้าของ เป็นพาภูมไม่ได้เป็นลูกน้องพระลำเองเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ย่อทั้งหมดอัคราาสาวกทั้งหลายแหละล้วนมีความเกี่ยวข้องมนตลอดหลายร้อยปีก่อนที่จะเป็นผู้ยอ่อครับครูบาอาจารย์ของเราเช่นเดียวกันบางองค์ปฐาเป็นพุทธภูมิภูมมาเปลี่ยนเอาชานี้หละองค์ก็ก่อนเป็นฤๅษีฤๅษีเขาก็ปฏิบัติตนอีแบบหนึ่ง หลายพวกรายชาติพวกเขาก็เป็นไก่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจิตนี่สำคัญอย่าไปคิดว่าโอ้จิตเราเป็นเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงตลอดเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเราเป็นพระเป็นพระตลอดมันไม่ใช่นะเป็นพระอยู่ดีขาวหน้าไม่เอาเรื่องไม่เอาทานเลยเอาพราเหลืองมาผมเจฉยๆให้เขากล่าวให้เขาไหว้ความดีไม่มีอะไรเขากล่าวเขาไหว้เลยน่อันตรายนะะเป็นหนี้เขานะไปใช้หนี้เขานะต้องระวัง เกียร์คาร์ไม่มีอะไรตอบแทนเขานะคือไม่มีความดีที่ออกแบเป็นเครื่องตอบแทนเขานะอันตรายนะพ อ, อจะให้กนะ็ยกมือท่วมหัวขอแล้วก็เลยบอกแล้วเลยอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกแต่ผู้รับเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยเนะนี่ยเป็นอันตรายในขณะจ้องกันข้ามผู้ให้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของที่ได้มาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจของทานเขาเลยเอาผู้ให้กับผู้รับ กูให้ให้แต่ความบริ ส, สุทธใจส่วนผู้รับจะเป็นยังงก็แล้วแต่แต่าอาริศงถึงแม้จะตัด ก, กันสําหรับเป็นพระอาริยะพระอรหันต์ก็อาริศงอีกแบบหนึง่งผู้เจ้าอีกแบบหนึง่งสาวกอีกแบบหนึ่งเป็นพระธรรมดาอีกแบบหนึง่งถ้าคนทําไดาแบบให้ขอทานก็อาริศงอีกแบบหนึง่งแต่มันก็ได้แต่มากน้อยไม่เท่ากันทําเองแต่สําคัญก็คือกู้ให้ให่เรานก็คือได้เปรียบได้เปรียบกับผู้รับในขณะเดียกันถ้าผู้รับเนี่ยถ้าไม่มีคุณธรรมอะไรเลยอันตรายนะ แต่เดี๋ยวไปคิดว่าโอ้โอเคเพ่เลยอง เ, อเดียวมีแต่ร้อรับเปนเ้ิมมัน ไ, ได้พอต่อไปจิตดูนี้เมื่อออกจากร่างแล้ว่านนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้จิตมันไปนอยู่กับอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่กับผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงอยู่ผูชายเป็นผู้ชายอยู่กับควายก็เป็นควายอยู่กับวัวก็เป็นวัวจิตเดียวกันนี่แหละเพราะนั่นคืวาจางของเราก็เป็นมาสารพันธุ์ที่เาเป็นคนมาตลอดทุกชาติแม้แต่ผู้หญิงเราก็เช่นเดียวกัน แล้วเป็นอุทาหอนอย่างหนึ่งว่าเ อ, อ, เ อ, อราอย่าประมาทนะประมาทในวัยในชีวิตเหมือนฝั่งโน้นตอนนี้จิตออกจับร่างเป็นไรไม่รู้ใครบอกไม่ได้อยู่ที่การฝึกฝนพัฒนาอดทนดยอย่ารอดทนฝึกฝนพัฒนาตนเองอาชีพำคันคือให้ระลึกนึกถึงเรียกว่าอนุสติระลึกนึกถึงความที่มันสิ่งที่มันดีๆอยู่เสมอสิ่งที่ดีก็ ม, มีอะไรพุทธาธรมาสังขาพุทธานิติธรรมะนิสังข า, านิ ในกรรมฐานสี่ก็คือหนึ่งพุท ธ, ธานุสติเกิดระลึกถึงคนของพระพุทธเจ้ามีคนถามหลายคําถามทั้งในและนอกก็จะถามขึ้นมืาว่าในเมื่อเราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราจะนึกพระพุทธเจ้าอย่างไรเป็นคําถามที่เป็นหาถามที่เราพูดนึกถึงพลน า, าเป็นคนไม่ใช่รูปอยงนั้นแล้วกันพุทธรูปก็เรานึกถึง พระเจ้าแล้วก็นต้ถึงพุทธรูปมันก็ไม่ใช่พุทธรูปก็มีหลายปางมีหลายแบบยืนนั่งมีหมดมีหลายปางเลยนันเป็นพุทธรูปพุทธะรูปะรูปเปลี่ยนของพระุทธเจ้าไม่ใช่พรุทธเจ้ามันเป็นทองเหลืองทองแดงนี่เราพัฒนานะคุณนั่นคือคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่กระ ช, ะชะายกระตาคุณของท่านที่เราพัฒานานี่ยมันพุท ธ, ธานุสติเนี่ หนึ่งพุทธานุสติในเจตวรรจ ก, กรรมาฐานอันนี้หลวงปู่เสาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติปุสาวกตาสิโลทุเบอาจารย์ของปู่มันเราเนี่ยก็อันนี้เป็นหลักคือหนึ่งคือนึ่องถึงพุทธิชาเป็นหลักนึ่ถึงพุทธคุณภาณาดังคุณของพุทธิชาเป็นไงพุทธานุสติสองเมตตาคือ ท, ทําตัวเองให้มีจิตใจเมตตาอยู่เสมอ ปัะจเตไปเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งปฏิฆะอะไรก็แล้วแต่ฝึกให้ตัวเองมีเมตตาคือให้อภัยอยู่เสมอให้เป็นนิสัยข้อสามก็คือเลือกถึงอสุภะคือขอมาถึงเป็นงามคือรูปร่างตัวตนทัดสีกันให้พวกเราเนี่ยสุดท้าย ต้องมองให้มันเป็นอสุภะให้นึกได้เป็นสุภะรูปร่างตาผู้หญิงผู้ชายรูปหลอ่อรูปไม่หลอ่อทั้งหลายแลทั้งหมดทั้งปวงสุดท้ายมันก็คือโครงกระดูกระแข่เนื้อหนังพุ่มสีสระผมเล็บพุ่มไปถ้าแหวกถอดออกสิ่งเหล่านี้ข้างในถ้าเป็นธรรมดาก็มีตับไตใส้นพุงถ้าออกเหลือแต่โครงกระดูกสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกนี่กับอสุภะ ให้นักกีสท่านอภรนาอาการสารที่สองเพื่อเราเห็นส่นนี้ที่เราสวดทุกวันนี้ยท้ทายธรมรมะเสร็จแล้วก็อภรณาอาการตาที่สองกสารลงมานะคะต่างๆเบื้อ ง, งบนแต่พุทธาลงมาเบื้องต่ําแต่ป้ายผมลงไปอภรณาต่อสิ่งเหล่านี้ให้หองไปหองไปอสุภะนะครับขไม่สวยไม่งามเพื่อจิตจะได้ไม่คล่องในสิ่งเหล่านี้จะได้ไม่ติดในสิ่งนะั้นสุดท้ายจะสวยจะ ง, งามจะคล้องแงก็ตามข้อสีก็คือ มรณะนึกสติสุดท้ายสิ่งนี้มันก็ต้องดับย่อยสลายไปตามกาลเวลาดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้าไปไปรมเป็นล ม, ล ม, ลมไม่มีแล้วแม้แต่โครงกระดูกก็ไม่มีแล้วคือทําลายนั่นเองเห็นการทําลายเห็นการดับนี่เขาเรียกว่าสอนเรื่ เ, เกิดจนตายสอนอะไรก็คืออั น, นึ่งถึงคนที่คนดีๆเอาไว้เราจะนึกจะพูดจะทําอะไรจะคิดอะไรก็ตามให้ตังแต่ของดีเพราะคือเจ้าเถื่อเป็นสัญลักษณ์ของคนดี คือพัตนาใจพุทธเจ้าคนเดียวไม่ได้แปลว่าพระองค์เดียวพระเจ้าหมาไปถึงรัตนาใจด้วยเพราะถ้าการมีสมบัติครบของพรัตนาใจเป็นทั้งวัตถุเป็นธรรมเป็นทั้งพระสงฆ์และองค์เดียวกันกับพระอรหันต์พระอรหันต์นั้เป็นที่องค์เดียวกันพัฒนาใจครบในองค์เดียวกันไม่ได้แยกก็คือพรระัตนาใจนั่นเองก่อนที่พึ่งนี่คือหลักที่ครูบาอาจารย์นใช้เป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันที่ต่างกับพวกเราต่างกับพวกเราก็แปลว่าพวกเรานะมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยอยู่ในสมองอยู่ในความคิดอยู่ในชีวิตจนในการปฏิบัติมีแต่เรื่องอะไรที่เราที่เสพที่รับเข้ามาทางหูทางตาเสพไปรับเข้ามาแล้วก็คิดไม่ทันตามไม่ทันเกิดปัสสะตาเห็นรูปแล้ว ก, ก, ก็มันตามไม่ทันหูฟังเสียงก็ตามไม่ทันก็คืออันตราย อัตรายตัวที่สามที่เฟังสุดท้ายกลายเป็นตัณหาความอยากซึ่งเป็นเหตุข้อที่สองในอริยสัจสีู่ดยังางเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดทั้งมวล ท, ท, ที่เรามีอยู่ในโลกใบนี้เพราไม่เข้าใจเสิ่เหล่านี้มีโรษความดับไม่ต้องไปถามหาดับชั่วคราวดับทาวรนยิ่งไม่ต้องไปถาหาเลยพอเราไม่เข้าใจเสิ่เหล่านี้ มักคือหนทางที่บัตรที่เกิดกับเสียงแล้วมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอายุสั้นสิไครบก็ไม่มีทางที่จะไปข้างหน้าต่อไปได้เราก็ได้แค่ชีวิตคือเป็นสิ่งมีชีวิตโชคดีหน่อยที่ต่างก็กคือมีจิตสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเขาไม่มีจิตชต้นไม้เขามีชีวิตนะแตม่มีจิตรู้เราไม่จเจครับ สิงมีชีวิตอื่นเหมือนกันแต่พัฒนาไม่ได้เขาก็มีจิตเหมือนเรานะช้าม้าโบควายก็มีจิตเหมือนกเราแต่พัฒนาไม่ได้ในก็มีจิตเหมือนกันในรูปตอชีวิตจิตกรรมคือการกระทําเราโชคดียังควบคุมการกระทําของตัวเองได้แต่เขาเหล่า น, นั้นควบคุมไม่ได้อยากกินอะไรกินอยากค่าอะไรค่ายังเป็นๆอยู่ก็ยังกัดกันกินอยู่อย่างนั้น คนร้องเออออกมาก็ย the ังการแข่งการทากการกินเยอะกันไม่ต้องไปฆ่ากันแล้วไม่ต้องไปปิ้งไม่ต้องไปย่างแล้วเอากันอย่างนั้นเลยสดสดเลยเนี่ไม่มีปฏิบัติเพื่อที่จะตื่นเลยสองคนนัะนี่คือความแตกต่างชีวิตจิตคือกรรมแต่เราสามารถควบคุมนะครับแบบอย่างได้นี่คือข้อแตกต่างแต่ถ้าเราไม่สามารถเชื่องนครับยับอย่างได้เป็นเหมือนเข้าเลยมันก็ไม่ต่างกันเลยคือจิตไม่ต่างต่างแต่รูปร่าง คือกายแต่ไยจิตมันไม่ต่างกันเลยอ่ะเห็นไหมนรกมันเกิดขึ้นบนมนุษย์แล้วมันจะไปรอชาติหน้าชาติไหนนี่คือนรกแก๊ชัดเกิดบนโลกไปที่แหล้วนะเราต้องทําให้มันแตกต่างแก่สิ่งเหล่านี้คือให้เห็นความแตกต่างได้ว่าเออคนกับสัตว์มันต่างกันยังไงงั้นไม่ต่างกันนะคือจิตชีวิตจิตกรรมคือกันกระทาที่ทั้งหมดเนี่ยคือชีวิต มีจิตมีกรรมคือการกระเพราะเขาต่อไปเขาไม่มีแล้วคือธรรมะเขาไม่มีเหมือนพวกเราไม่สมาธิมีธรามะไม่สมาธิเข้าใจธรรมะอย่างพวกเราได้เขาหยู่แค่ชีวิตจิตกลับคือการกระทําคือมีการกระทําคือ ก, า, ร ก, รอกายกรรมวิจรริกรรมโนกรรมแค่นั้นแต่ธรรมะไม่เกิดเมื่อธรรมะไม่เกิดมันก็ควบคุมตัวเองไม่ได้มารู้จัก ต้นสายปลายเหตุปลายทางไม่ได้เราได้เปลี่ยนตรงนี้แหละคือธรรมะที่เราปฏิบัติกันนี้ก้มุ่งตัวให้เห็นกอดแตกทางนี้ความแตกต่างตอนนี้นชัดเจนมากถ้าเราใช้ชีวิตแค่เป็ชีวิตหรือมีจิตคือจิตใจมีการกระทําคือกรรมแล้วประจบเยี่ยมกันแค่นี้ยเราภูมิใจแค่นี้ยไปต่อไม่ได้คพราะไม่มีธรรมะธรรมะเสร็จแล้วตัวที่เกิดผลของการรู้จักธรรมะมีธรรมะคือปัญญา เราจึงแค่ว่าธรรมะปัญญาคนที่มีธรรมะปัญญาได้ก็บุคคลนั้นต้องมีสติเท่านั้นทีเราฝึกนี่คือฝึกสติเพืให้เกิดธรรมะปัญญามันได้เกิดเพ้ามันเป็นสัญญาทุกวันถ้ามันไม่เกิดเป็นธรรมะหรือเป็นยามันก็ได้แค่สัญญาชีวิตจิตกรรมก็อาศัยสัญญาที่เราเคยจำได้หมายรู้จําได้มาจาไปอย่างนั้น จำดีจำไม่ดีจำชั่วจำไม่ชั่วว่ากันไปตามความจำเรื่องอาศัยแค่สัญญาทุกวันนี้อาศัยสัญญาแบบดูโลกกันอยู่นธรรมปัญญามันไม่เกิดเมื่อธรรมะปัญญามันเกิดจิ่ที่ตามมาคือที่จตามมาเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนต่อยอดสูงสุดคือสังเวชนิพถาเวลาคะนิพานะอนิพานเกิดวิราคะ นิพ right ิทาความสังเวชเกิดขึ้นก่อนเพราว่ทำมาสังเวชทำมาแต่เกิดนิรคะนิพิธาเกิดความเบื่อหน่ายในรูปขันอันนี้ถ้าเกิดความเบื่อหน่ายเกิดก่อนไปเยอะนิพิทาคือเบื่อหน่ายแล้วก็นิพพานะคือสิ่งเหล่านี้มันดับคือแยกออกว่าอันนี้คือรูปอันนี้คือน้ำแล้วก็กําหนดพรารูปน้ำนั้นเกิดจากการกําหนดท้าใช้คําว่ากําหนดกําหนดรู้ รูปนามอันนี้อันนี้คือขั้นตอนอาจจะเรียกว่าคันท่าเรียกว่ารูปเรียกว่านามอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายปทางต้องเป็นอย่างนี้โอ้ผู้เจ้าเข้าใจขั้นตอนเสียเหล่านี้ดีประธานไทยจึงเน้นว่าเสี่งเหล่านี้คือเป้าหมายในการรงชีวิตของพเราอย่าไปเอาแค่มีชีวิตมีจิตใจและมีการกระทําคือการทัดทานกายกรรมวิธีกรรมน ก, กรรมหรือการกระทํามันจบแค่เนี้ยมันก็ได้ มันก็ลายเป็นกรรมที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้กลายเป็นกายกรรมวิจกรรมนรกกรรมแล้วก็ผลของความคิดของตัวเองผลของคำพูดของตัวเองผลของการการะทํำของตัวเองนี่คือกรรมย้ําอยู่เสมอว่าถ้าจะแก้กรรมต้องรู้จักความคิดของตัวเองรู้จักคําพูดของตัวเองรู้จักการการะทํำของตัวเองสามเรื่องนั้นคําว่ารู้จักคือควบคุมได้ไม่ให้มันฟุ้งซ่าน ใหมันอยู่กับอะไรอันหนึ่งก็เบื้องต้นกว่าอาจารย์ก็นแนะนำเราว่าต้องอยูคําบริกรรมเพื่ออยู่กับอะไรอันหนึ่งก่อนนันคื อ, อคําบริกรรมอีกควบคู่คำคิดนะนี่คือวิทยาที่พระเจ้าดวดยัดเยียดมากคําพูดก็เช่นเดียวกันเใช่ไหมไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็พูดแือพูดไปแล้วเป็นหอกเป็นดาบเป็นมีดไปทิ่มไปแ ท, ทงไปปาดคนอื่นเขาเดลือด้อนให้เจ็บให้แค้นมันก็ ก, กรรมไปกลายเป็นเวรคือทําต่อทาต่อกัน คุณทำกับผมผมทำกับคุณมันก็ไม่เลิกไปแล้วแล้วก็มันทำต่อกันมันโตตอบอะพวกนี้นะนี่กรรมวจีกับมโนกรรมถึงแม้ว่าเขาคิดอยู่ในใจอยู่ในส ม, งมางไม่แสดงออกเขาพูดไ่แสดงออกแต่ใจมันมีผลเห็นไหมแค่เห็นและมันมีผลที่ใจทันทีใจมันเกิดเพราะนั้นสำคัญที่สุดคือใจ ตอนนี้ถ้าเราฟังอย่างนี้คือใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่บอกให้เอาใจฟังไม่ใช่ให้เอาหูฟังทุกวันเราเอาหูฟังหูฟังธรรมะแต่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าให้เอาใจฟังธรรมะมันถึงจะเข้าใจถ้าเราหูฟังก็เหมือนดูหนังฟังเพลงฟังแล้วแล้วกันไปเนี่ยใช้หูฟังะเหมือนเราใช้หูฟังโทรศัพท์เอาหูฟังออกก็จบละแต่ถ้าเอาใจมันจะอยู่ในใจ กระบวนการนั้นๆมันจะอยู่ในใจว่ามันจะเกิดขึ้นกับตามมันตั้งอยู่กับมันดับไปกับตามมันจะอยู่ในใจนี่ความละเอียดอ่อนเหมืองการปฏิบัติเพราะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจของเราแล้วมันจะผดขึ้นมาจากใจมันจะเป็นสติคือระลึกได้ความส่งระลึกนึกขึ้นมาได้ม่ว่าจะทําดีทําไม่ดีก็ตามถ้าทําดีเออเป็นความดีทําไม่ดีมันเกิดอะไรบอกสมารถยับยั้งหยุดได้ทันทีในเบื้องต้น นี่คืออันที่สองรู้ผลในการปฏิบัติเช่นกําลังจะเกิดความโกรธเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดอยากได้ขึ้นมาที่ไม่ใช่ของตัวเองความกระดอนนึกได้กันทีสมาเสียงรับการอยางได้นั่นก็เป็นข้อดึงด้วในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทุกขั้นตอนมีผลต่อความคิด ค, คํำพูดและการกระทําสรุปก็คือตัวเราเนี่แหละดูตัวเราคือดูตัวเองที่สอนให้ดูตั้งแต่หัวจรดเท้า ท้าจะหลอดหัวต้งอย่างสุดท้ายก็เลอได้กองกระดูกวัดซักกองกระดูกก็ไม่ถืออะไรแต่ตัวที่มันยึดคือจิตมันต้องไปต่อมันจะมีที่ตั้งเมื่อจิตออกจากร่างแล้วมันไปต่อดวงจิตดวงนั้นคือบอกต้องให้ใจฟังไม่ใช่เอาหูฟังหูฟังมันจะไม่ได้เลยแต่เอาจิตฟังนะเอาใจฟังมันจะไปต่อมันจะจำว่าเออในมันดีในไม่ดีในใช้ได้ใช้ไม่ได้จิตดวงนั้นมันจะไปต่อ ถ้าแจะไปอตั้งหาที่เกาะเพือ่อหาบ้านใหม่เมื่อจิตออกแข่ง่างรับวไปหาบ้านใหม่มันอยู่ที่ต้นทุนเลยเนี่แพ้ไปแล้วไม่มีต้นทุนเลยชิยไดไายทําไม่ได้อยากได้รถแต่ไม่มีสตังค์ซื้อรู้ว่าเออรถมันรู้มันแพงแต่สตังค์ที่จิตไปแลกมาเป็นรถมันไม่มีเขาเรียกว่าอารียทรัพย์ไม่มีทรัพย์มีสองอย่างคือโลกอาเรพย์หรือทรัพย์ทางโลกมื่ที่เราหากันนี้ มันเป็นโลภะทรัพย์นะมันใช้อะไระใช้เฉพาะโลกนี้โลก อ, อิยละรัพย์คือใช้เฉพาะโลกนี้เขาบอกชัดเจนอยู่แล้วโลกหน้าเอาไปใช้ไม่ได้ตัวที่เป็นใช้กานหน้าคืออริยะทรัพย์ที่ไปใช้ข้างหน้าได้แต่ถ้าเราไม่มีอริยะทรัพย์ใช้แต่โลก อ, อิเละรัพย์ก็ร่างกายหมดสภาพไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วไม่ทําอะไรไม่ได้ไม่จะเป็นยังไงมันก็เป็นช้างมา้าปูคลงยมูมังกาไก่ ก, กุ้หอยปูปลาะ เพาต้นทุนมันน้อยแต่ไม่มีต้นทุนเลยเลยต้นทุนมันลดต้นทุนมันต่ำเพราะนั้นอย่าไปทําตัวเองเพรต้นทุนมันลดลงเพิ่มต้นทุนของตัวเองให้มากขึ้นเกิดมาต้องตีให้ได้กําไรเมื่อเราค้าขายค้าขายแล้วไม่ได้กําไรอย่างน้อยเท่าทุนก็ยังดีนะคือไม่ขาดทุนแต่ค้าขายได้ขาดทุนะราจะค้าขายไปทําไมเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วขาดทุนแล้วจะเกิดมาทําไม โอกาสเจริญกว่าจะเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์แต่ละครั้งแต่ละคราวแต่ละชาติไม่ใช่ธรรมดาก็จะเกิดมาเหมือนพวกเราหลายหญิงชายธรรมณะพรานแนน่ะมันไม่ใช่ธรรมดานะ่ะมันได้เป็นทุกภพทุกชาตินะ่ะนียเพราะฉนั้นจนนตนนิตแต่ระมัดระวังจงคือถ้าเราไม่ระมัดระวังไม่สำรวมเนี่ยจิตออกจากระทางเราเป็นไรไม่รู้ไม่มีหลักประกันใดๆเลยต้องระวังเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องระมัดระวังสำรวมเนี่ย ข้อแรกท่านผู้เจ้าบอกคือใช้คํานี้เลยคือสํารวมคือสินนั่นแหละโดยสรุปคือศินถ้าไม่มีศินก็คือไม่มีความสรุคนที่สํารวมก็คือคนที่มีศินคนที่มีศินนั่นคือเกิดจากการสํารวมเนี่ยก็มายของพระพุทธเจ้าสรวมเสร็จแล้วข้อที่สองก็คือมัดระวังเรื่องอยู่เรื่องกินในชีวิตประจำวันอันนี้พระพุทธเจ้าสอนเราตัวจุดห้ก็คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าปราศจากสติอย่างเดียวเนี่ยหมดสภาพเลย มีเงินเป็นร้อยล้านแต่ไม่มีสติในการใช้จ่ายก็ไม่ประโยชน์เลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยแต่ไม่มีสติปัญญาทียามา ม, มีประโยชน์เลยเพราะตัวสุดท้ายกันนี้คือสติปัญญาทำยังไงก็ได้ให้เกิดสติปัญญาคือให้เราคิดได้ด้วยตนเองในชีวิตประจําวันในบางเรื่องบางอย่างหรือกรณีศึกษาเห็นคนอื่นเห็นเรื่องอื่นเป็นกรณีศึกษาโอปโปะอโกน้อมว่าตัวเองเราก็จะได้ประโยชน์จากสินบนนั้นไม่อย่างนั้น มันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยการไปว่าคนนั้นดีคนนั้นชั่วก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราก็เป็นทุกข์กับเขาไปนอนกับเขาแล้วก็ไปลำบากเขาซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยคนนั้นชั่วกคนนั้นโจรคนนั้นโกงคนนั้นตัวเจติดมันเป็นเรื่องของเขาเอาเป็นกรณีศึกษาเราอย่าไปเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นความคิดการพูดการกระทำนั่นบางก็ได้ประโยชน์ก็เอามาสอนตนเองได้การปฏิบัติธรรมอย่างนี้ต้องการให้เราเป็นอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเราคิดได้อย่างนี้ อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้อยู่ที่ทํางานก็ได้ก็เชื่อเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอนี่คือการปฏิบัติตัวชีวิตคือตัวเราเองนี่แหละเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นเราส บ, า, บายใโอ้โบราณใโกคือน้อมว่าตัวเองเราจะรู้จักตัวเองตัวตนมากขึ้นเพราะนั้นอย่าไปแช่แค่เออคิดว่าเรามีชีวิตแล้วโอ้สุดยอดมีชีวิตมีจิตมีาำงามีกรรมองกันก็ทําแล้วแต่ธรรมะปัญญามไม่เกิดมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย วันจะเกิกับสรรพสัตว์ทั้งหลายมีมีชีวิตมีจิตมีการกระทําเหมือนกันแต่ธรรมปัญญาไม่เกิดซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยตอนที่เราเน้นก็คือเพื่อเกิดธรมรมปัญญาส่วนชีวิตที่ตามมามันก็จะตามมาเป็นกระบวนการโดยธรรมชาติอยู่แล้วลนั้นอันนี้คือสารธ ร, รรมสำห ร, รับพวกเราข้ามคืนวันนี้ก็หวังเป็นยิ่งว่าเราฟังแล้วโอปร่าจโกคือน้อมกล้าตัวเองเอาไปคิดเอาไปพิจาไปชเอาไปต่อยอด เราไปก็พูดปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็เชื่อทําตามพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสอะไรคือเป็นคําสอนที่สําคัญคือคําสั่งนี่สาคัญมากๆคือต้องมีศีลแต่คนไม่มีศีลก็คือคนไม่ทําตามคําสั่งใครสั่งพระพุทธเจา้าแม้แต่พระสงฆ์องค์ไหนก็นเช่นเดียวกันพระที่ดีต้องตัวชี้วัดคือศีล น, นะไม่ใช่ทะเพราะทำเราดูกันไม่ได้ เรบอกกันไม่ได้เราคิดกันเราเองว่าโอนั้นคันนั้นเป็นขั้นนั้นกันเนาะเราคิดเองแต่ศีลเนี่ยเราเห็นได้ก็จะเป็นตัวชี้วัดได้เวัะนั้นพรอโอนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้เป็นหลักในชีวิตประจำวันวเราดูก็เช่นเดียวกันจะดดรูแลอุปถากระตามคําชุนใครก็ตามอันนี้คือหลักๆวิธีคิดฝ่าพวกเราทุกคนกเราคำเกินวันนี้ระวัาางเป็นยิ่งว่าเราฝัางแนวโอปันอิโกะน้องว่าตัวเองความสุข ควาเจริญตามฐานาโลกก็จะเกิดกับเราก็คืออยู่แบบโลกเราก็เจริญแบบโลกอยู่แบบธรรมก็เจริญแบบธรรมพอเราทางหลายได้เป็นประสบการเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเพิน